ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ก็ท่านไม่มีจักษุของพระอริยะอันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคอันเป็นเครื่องเห็นนิพพานมาคันดิยะอารัธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็สอ้อยแปข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมทรงสามารถเพื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า โดยประการที่ให้รู้ความไม่มีโรคให้เห็นนิพพานได้ดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดไม่ได้เห็นรูปสีดำและสีขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ มิตรอมบาดยาสารหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นได้ทํายารักษาเขาเขาอาศัยยานั้นแล้วก็เห็นไม่ได้ทําจักสุให้ใส่ไม่ได้ดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นไหนแพทย์ต้องมีส่วนแห่งความลําบากความขับแค้นสักเพียงไรไม่ใช่หรือมาคันธิยะกราบทูลว่าอย่างนั้นท่านพระโคโดม พระพุทเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคันธิยาเราก็ฉันนั้นเหมือนกันพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือสิ่งนี้นิพพ า, านนั้นคือสิ่งนี้ดังนี้ท่านนั้นก็พึงรู้ความไม่มีโรคไม่ได้พึงเห็นนิพพานไม่ได้อันนั้นพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความลําบากแก่เราข้อสอ้าบข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระคดมด้วยอาการอย่างนี้แล้ว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 แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักสุซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมณทินสะอาดหนาบุรุษตาบ่อแต่กำเนิดนั้นพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื้อนเข่ามาลวงเขานั้นว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้ขาวผ่องงามไม่มีมณทินสะอาดเขารับผ้านั้นมาห่ม มิดอามาดย่าสาโรหิตของเขาตั้งแพทย์ผู้ชํานาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชํานาญการผ่าตัดนั้นทํายาถอนให้อาเจียนยาถ่ายให้ลงยาหยอดยาหยอดซ้ํายานัดเขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ชําระตาให้ใสได้เขาย่อมละความรักด้วยสามารถความพอใจในผ้าเทียมเปื้อนขมเหาโน้นได้พร้อมกับตาเห็น เขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูโดยความเป็นฆ่าศึกอ่นหนึ่งเขาพึงสําคัญบุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปรงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าบุรุษผู้เจริญเราถูกบุรุษผู้นี้เอาผ้าเทียมเปื้อนเข่ามาลวงให้หลงว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสอาดดังนี้มานานหนอฉันใด ดูก่อนมาคันธิยะเราก็ฉันั้นเหมือนกันถ้าแสดงธรรมแต่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้นิพพานนั้นคือข้อนี้ท่านนั้นพึงรู้ความไม่มีโรคพึงเห็นนิพพานได้ท่านนั้นก็จะละความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในขันที่มีอุปาทานทั้งห้าได้พร้อมกับความเห็นเกิดขึ้นอันหนึ่งท่านพึงมีความดาริอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญ เราถูกจิตนี้ล่อหลวงให้หลงมานานแล้วหนอเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่รูปเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่เวทนาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณเท่านั้นพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบนั้นเป็นปัจจัยจึงมีชาต เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสินนี้ย่อมมีด้วยประการชนีข้อสองร้อเก้าอข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมทรงสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าไม่เป็นคนบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้ดูก่อนมาคันทิยะ ถ้าเช่นนั้นท่านควรคบสัตว์บรุษพระเมื่อใดท่านคบสัตว์บรุษเมื่อนั้นท่านจักได้ฟังธรรมของสัตว์บรุษเมื่อท่านได้ฟังธรรมของสัตว์บรุษท่านจักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านจักรู้เองเห็นเองว่าโรคฝีลูกศรคืออันนี้โรคฝีลูกศรจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้ เพราะอุปาทานของเรานั้นดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัดและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการชนีข้สอง้อาพระผู้มีพระพาเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แลมาการธิยะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระพาเจ้า ว, ว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหลายของที่กวา้าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีศในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดมทรงประกาศตามโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพระภิกษุทรงว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรดชาอุปสมบทในสำนักท่านพระโคดมดูก่อนมาคันทิยะผู้ใดเคยเป็นอนย่ญญาเดียรถีหวังบรรดชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริว่าสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรดชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้อนี้มคณิยักษ์ราถทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนพิสุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทได้ไซข้าพระองค์จัดอยู่ปริวาสสี่ปี ต่อเมื่อล่วงสี่ปีพิกสุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรดชาให้อุปสมบทเพื่อความเต็นภิกษุเถิดมาคันธิยะปริพาชกได้บรรดชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เมื่อท่านมาคันธิยะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่ช้านานเท่าไหร่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 ท่านมาคันธิยะได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังนี้แล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําปริญญาในอะไรการมคุณห้าผู้ที่รอบรู้ในการมคุณห้าคือลทัทธิของมาคันธยะปริภาชกที่อาจารย์ตาอาจารย์ของเขาสอนมาเนี่ยลทัทธิของเขา่คือลทัทธิสแสวงหาความสุขทางปัญจทวารหลักการของเข า, นะาศาสนาของเขาสอนว่า เพราะฉะนั้นควรดูรูปใหม่ๆไปเรื่อยรูปไหนที่เคยดูก็ผ่านไปอะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็ไปดูไปเที่ยวดูไปเรื่อยคือสแสวงหาความสุขจากทวารตาเสียงไหนเคยฟังมาแล้วก็เลิกฟังไปหาฟังอันใหม่ๆต่อไปไปหาเสียงเพาะๆไหลไปเรื่อยอย่างเงี้นไปสแสวงหากลิ่นต่อไปที่หน้าปราถนาะกลิ่นไหนที่เคยรู้ก็ผ่านไปไปสแสวงหากลิ่นใหม่ๆไปหากลิ่นหอมๆที่น่าปรารถนาะ ไปสแสวงหารถใหม่ๆอาหารไทยเคยทานและทานอาหารแขกมั่งไหลไปเรื่อยนะเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะผู้ถาพระใดเนี่ยเนี่ที่เราเคยบริโภคแล้วก็เปลี่ยนโู้ถาพะไปเรื่อยๆสแสวงหาโู้ถาพะใหม่ๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะคําสอนของปริพาโชกอนย่าเดรธีซึ่งยุคนี้เนี่ยมีผู้ปฏิบัติหลักการอันนี้ไม่ใช่น้อยโดยที่เรียกว่าเป็นอะไรนะ เช่นนักท่องเที่ยวชอบดูที่ต่างๆประเทศไหนไปแล้วไม่ไปไปที่ใหม่ๆไปเรื่อยเที่ยวดูไปเรื่อยเรื่อยเสียงไหนที่ไม่เคยฟังฟังไปเรื่อยฟังใหม่ๆไปเรื่อยชอบหาอะไรแปลกๆมาทานเป็นต้นเนี่ยผู้บริโภคนิยมทั้งหลายเขาก็ทํากันเช่นนี้ใช่ไหมลทัทธิสมัยนั้นเขาถือเป็นลทัทธิเลยนะเออนี่เจ๋อมากถ้าใครทําได้อย่างนี้นะสมัยใหม่คนก็นิยมชมเชยเหมือนกันนะใครที่สามารถทําได้อย่างที่กล่าว ถามหลักการอันนี้สอดคล้องกับคําสอนพระพุทธเจ้าไหมไม่สอดคล้องแล้วพระเจ้าสอนให้ทํำยังไงสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายและสํารวมใจสํารวมตานี้สํารวมด้วยอะไรสํารวมนี้เป็นชื่อของอะไรสังวรสังวรมีกี่อย่างห้าอย่างหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสาม ญานะสังวรสี่วิริยะสังวรห้าขันติสังวรพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรห้าประการในทวารหกนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้สังวรให้ปิดให้กั้นให้ระวังแต่ของข่าวบอกแหมาศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้าศาสนากำจัดความเจริญเหมือนกันเถอะกําจัดความเจริญไม่เห็นสีที่น่าปรารถนาเป็นต้นเสร็แล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรับถึงว่า ตามมคุณในโลกนี้สีเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินผู้ที่บริบูรณ์ด้วยเบญจตามกกมคุณห้าเช่นพระราชาและมหามาตของพระราชาเขามีความสุขจริงหรือที่ยิ่งมีมากๆนะได้รับความสุขจริงหรือมีอาหารเนี่ยโกลื่นรสไปหมดเลย มีที่นอนเตียงเต้ไปหมดเลยมีแต่ที่นอนเยอะๆไปเลยนะมีรถเป็นร้อยๆคันเนี่ยนะให้ใช้ได้ทุกคันเลยนะมีคนงานเป็นหมื่นๆคนเนะี่ยถามว่าถ้ามีบริบูรณ์อย่างเงี้ยมีความสุขจริงหรือก็น่าคิดนะว่าสุขจริงหรือที่เขาเล่าว่าใครได้เป็นนายกนี่แกเร็วขึ้นเยอะเลยว่างั้นโดยแทนที่จะมีความสุขขึ้นใช่ไหยไม่ใช่เลย พยิ่งเพียบพร้อมมากขนาดไห น, นยิ่งทุกข์ขนาดนั้นเพราะแสดงว่าการมคุณห้าไม่ได้เป็นของดีจริงเป็นไม่ใช่ของดีจริงลักษณะของพระพุทธศาสนาสอนว่ายังไงถ้าของพระพุทธเจ้านะถ้าตามสูตรนี้พระองค์บอกว่าพระองค์นี้เป็นผู้รู้เหตุเกิดของเบญจากามคุณความดับของเบญจากามคุณคุณคืออัศาธาของเบญจากามคุณอาทีนวาวะแห่งเบญจาการมคุณเลย นิสระนาของเบญจากามคุณเบญจากามคุณที่น่าปราถนาในโลกในมนุษย์โลกเทวโลกเป็นต้นเนี่ยกามคุณที่น่าปรารถนาแถวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดความสวยความงามในโลกนี่นะโดยทั่วๆไปเราติดในในวัตถุรหรือในบุคคลมากที่สุดภาพถ่ายสวยมากกับตัวจริงเลือกเอาวันไหนเอาสวยเหมือนกันสวยเท่ากันเลยนะเอาภาพถ่ายกับตัวจริงเอาไหนก็ตัวจริงเพราะฉะนั้นก็กรรมมาสรุปใช่ไหม ก็แสดงว่าสีที่เราพอใจที่สุดก็สีของกรรมชรูปถ้าเราชอบเสียงจริงทําไมไม่ขออัดเทพมาแล้วเอาไปนอนฟังแต่เสียงอย่างเดียวพอละเอาไหมอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นก็ชอบอะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่เกิดจากกรรมมาชรูปเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดล่ะก็อวิชาเกิดใช่ไหมสีเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เหล่านั้นจึงเกิดตัณหาเกิดสีเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์จึงเกิดกรรมเกิด เพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยสีเสียงกลิน่นรสเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นแล้วก็เพราะอาหารเกิดถ้าลองขาดอาหารนะคนสวยขาดอาหารสักสามมื้อเลยอดข้าวสักวันหนึ่งนะตอนเช้างามมากเลยนะวันนี้ไม่ได้ทานอะไรทั้งวันเลยนะตอนเย็นยังงามไหมนะ้อหน้าเบี้ยวมาง อ, อกลับมาเลยนะถ้าอดสักเจ็ดวันเนี่ยนะคุณตะจินเล่าไงนะถ้าไปอันนั้นทําำคีโมใชนะ่ไหม ไปใช้แสงทักเดียวหรือไปเคมีบําบัดไม่นานอ่ะนะหลังจากนั้นจํำมัเข้าได้แล้วลองเล่าให้ฟังให้เป็นยังไงเรื่องถ้าคนไข้ได้เคโมอเธอร์ปีเนี่ยลิ์ข้างเคียงของยานี่จะทําให้ระบบทางเดิอนอาหารนี่จะเป็นแบบเนื้อเยื่อมันจะอักเสบไปหมดนะคะที่นี้เขาก็จะรับประทานอาหารไม่ได้เี็ทุกเคสเลยค่ะคือจะต้องเป็นทุกคนบางคนนี่เคสแรกนี่แบบโอ้โหต้องให้น้ําเกลืออาหารทางสายน้ําเกลือเลยคือไม่เหลือสภาพไม่ต่างจากคนไข้เอสะคะ่ะ แล้วก็ผมเขาก็ร่วงเนี้ยค่ะแล้วก็ในช่องปากนี่ไม่มีสภาพของปากเหลืออยู่เลยคือมันจะเน่าจะดำคือเขากลืนไม่ได้เลยบางทีน้ำลายไหลตลอดจะต้องเอากระถูนไปรองเพราะว่าคือสรุปแล้วทุกขกับายวิญญาณนี่เยอะมากๆเลยเป็นช่วงที่ตอนให้ยาเนี่ยเขาไม่อยากกินข้าวเลยเพราะมันจะทำให้ขึ้นไ่อาเจีย์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอยาเขาได้ครบเนี่ยหลังจากนั้น ฤดข้างเคียงของยาก็จะออกเขาก็จะเริ่มหิวข้าวแต่เขากินไม่ได้เพราะว่ามันแผลเยอะมากๆเลยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะเสียชีวิตเพราะแผลในปากก็มีเพราะว่าติดเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตนะคะก็เป็นเยอะถ้าเราช่วยไม่ทันเนีอ๋อรุ่นน้องที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะมีอยู่เคสหนึ่งน้องคนนี้เขาเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยได้สักปีสองปีเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่งทํางานเพิ่งหางานทําได้เขาก็มีคืออส่าธาในชีวิตเขามีมากเลยเพราะเขาเป็นคนรูปร่างที่ดีแล้วก็หน้าตาดีนะคะ แล้วทีนี้ปรากฏว่าเขามีอาการว่าเลือดออกไหลไม่หยุดเขาก็มาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วมีไข้เรื้อรังปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งเป็นชนิดที่ร้ายแรงก็จะต้องให้เคมีบําบัดโดยด่วนนะคะคือมาแล้วหมอให้นอนเลยที่ได้ได้ไปสักสองสาครั้งเขาเขาก็พอจะทนได้นะทีนี้พอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเซลเล์มะเร็งที่ฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ผลคือบางคนถ้าได้ผลก็ยับยั้งได้นานเหมือนกันนะครแต่เคสนี้ปรากฏว่า เซลเมเร็งมันเอาไม่อยู่เขาเจาไขกระดูกดูแล้วยาเคมีม บ, บําบัดที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เลยต้องให้ขนาดสูงทีนี้พอให้ขนาดสูงปุ๊บเนี่ยสภาพเขาที่จากที่สวยมากๆขาแบบดูดูแล้วใครก็ต้องแบบว่าสวยมากนะคะอันดับแรกคือในปากเขาเนี่ยจะค่อยๆเน่าห ว, วะเป็นแผลแล้วก็ท้องเสียตลอดนะถ่ า, ายออกมาคือเคมีบําบัดนี่จะทําให้ไขกระดูก ทำงานได้ไม่ดีคือกฎการทํางานเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวที่สร้างจากไขกระดูกนี่ก็จะทําให้มันต่ําลงทําให้ติดเชื้อง่ายแค่บางเคสเอาทิชชู่ถูๆนี่เกิดแผลนิดนึงก็จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตเลยค่ะเขาจะรุนแรงขนาดนี้เลยทีนี้เขาก็ติดเชื้อไปทั่วจนเชื้อที่ส่วนมากจะทําให้ตายคือเชื้อราทีนี้เขาเป็นเชื้อราทั่วร่างกายนี่ก็ต้องให้ยาค่าเชื้อรายาค่าเชื้อรานี่เป็นยานี่ทุกคนจะเรียกว่ายานรก เพราะว่าพอคนไข้ได้เนี่ยเขาจะหนาวสั่นเหมือนแบบคือเตียงเนี่ยดังไปทั้งทั้งตึกเลยคนระับคือสั่นเราช่วยเอาน้ําร้อนให้ฉีดยาแก้สั่นให้ยาแก้แพ้ทุกอย่างแต่ว่ามันก็สั่นไม่เลิกคือยาเนี่ยที่จริงมันมียาที่ดีที่ทําให้ไม่สั่นนะคะแต่เมืองไทยไม่มีปัญญาซื้อต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นประเทศเราไรายได้ต่ําก็เลยต้องใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้ได้ที่ถัดไปเนี่ยเขาจะร้องทรมานมากเลย เขาจะบอกว่าวันนี้ขอไม่เอายาได้ไหมให้เขาตายดีกว่าค่ะเพราะว่ายานี้มันทรมานมากจนเรายังใจเสียเลยเราว่าเราเข้มแข็งแล้วทุกคนก็ใจเสียจะต้องมาช่วยประคบประงมเนี่ยคือเชื้อรานี่มันเอาไม่อยู่จริงๆยานี่ปกตินี่เขาจะให้แค่สามสิบมิลลิกรัมแต่เคสนี้ให้ให้เกือบร้อยนะคะเก้าสิบคิดดูว่าจะสั่นขนาดไหนนะแค่สามสิบก็แย่แล้วติดมากขึ้นคือเชื้อราคือเอาไม่อยู่แล้วพอเชื้อราไม่อยู่เชื่ อ, ออื่นก็เต็มไปหมดเลย ยาที่แขวนอยู่ข้างเตียงเขานะครับคือล่อตัวเหมือนเขาขายของนะครัลบล่อตัวเป็นเสาน้องเขาจะได้ยาเยอะมากแล้วยาก็ช่วยทําให้ไขกระดูกเขาแย่ลงแย่ลงทีนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเราจะเช็คเลือดเจาะเลือดวันเว้นวันแต่น้องคนนี้จะเจาะวันละหลายๆครั้งเจาะตลอดเลยแล้วเป็นเคสที่เส้นไม่มีเลยบางทีต้องแทงกันทั้งสิบรูค่ะทรมานมากจะให้หมอแทงแทงเข้าทางหัวใจเลยหมอเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่า กรดเลือดเขาต่ําอีกถ้าแทงนี้เขาก็ตายไม่แทงก็ตายน้องเขากว่าจะเจาะเลือดได้เขาก็ทรมานแต่เขาก็ยินยอมเพราะเขาก็ลุกเล็กแล้วเขาก็กลัวตายนะครับแล้วหลังจากนั้นคือไม่เพียงแต่แค่ภาวะตีเชื้อนะครับระบบผิวหนังเขาเนี่ยเปลี่ยนเลยกลายเป็นสีดําผิวเขาจากขาวนี่จะเป็นดําคล้ําดํากืบเหมือนฐานแลยเขาอันนี้ดําแข็งแรงกับอันนี้ดําโรคดําล้ผมร่วงเลยไม่มีเหลือแล้วปากเขาก็ มีแต่คราบเลือดแข็งเต็มไปหมดนะคะเราจะทําความสะอาดแค่ไหนมันก็ไหลตลอดเลยแล้วต้องตามเลือดตลอดบางทีต้องตามเลือดให้ใหทุกวันแต่มันเหมือนกับมีปฏิกิยาต่อต้านเลือดที่ให้ไปอะคะ่ะมันไม่เอาแล้วเพราะมันได้เยอะมากๆเลยเลือดบางเคสได้เลือดถึงได้เอชวีก็มีแต่เป็นโรคอื่นนะไม่ใช่ตรงนี้ทีนี้น้องเขาก็เริ่มดําแล้วเขาก็ทําใจไม่ได้เขาบอกพี่จินเนี่ยนะเขาเคยเป็นคนสวยนะตอนนี้เขาไม่กล้ามองแม่ตัวเองเลย รูปอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอร้องให้เอาเก็บซ่อนไว้เล ย, เ, ลยเขาไม่กล้าดูมองเห็นหน้าตัวเองก็จะร้องไห้เขาจะคํานึงถึงรูปอดีตตลอดเลยเราก็ตอบเขาได้ไม่มากเพราะว่าพระเทวกสูตรคือเขาไม่ค่อยนับเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายเขามีเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากจะผิวดําแล้วกี้ที่กล่าวถึงว่าเขามีเกิดเลือดต่ําเนี่ยต้องตามเลือดให้ตลอดเขาจะ ค, ค่อยค่อยมีเลือดออกนะคะออกทางระบบทางเดินอาหารถ่ายก็เริ่มมีเลือดปน คือมันจะไปทุกทุกระบบที่เหงือกฟันเนี่ยปวดฟันก็ปวดเพราะว่าติดเชื้อเหงือก็บวมเลือด ก, ก็ไหลตลอดเลยตาก็แดงคือกล่ําคล้าไปปวดเพราะว่าเลือดมันออกในช่องตาน ะ, ะเส้นเลือดฝอยเนี่ยออกไปหมดเลยตาเขาจะแดงมากทีนี้อีกวันหนึ่งสมมติว่าพรุนี้เขาจะเสียชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยผิวเขาเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นคือจุดเลือดนี่เต็มไปหมดนะคะจนหมองไม่ออกเลยว่ามันเปลี่ยนอาโปทา อยาโยธามาหมดเลยเนอะปัทวีธาเขาเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้อีกวันหนึ่งเขาเริ่มเพ้อคือไม่ได้สติแล้วเขาจะร้องกรีดหัยหวนมาคารทอมานก่อนที่เขาจะเพ้อเนี่ยเขาจะสับสนนะคะเขาอยากจะดื่มน้ําแต่เขาบอกว่าเขาอยากปัสสาวะไอเราก็เอากระโถนไม่ให้เขาเ็นนึกไม่ออกว่าเขาจะต้องการอะไรเพราะว่าคงไประบบสมองตอนนั้นเขาบอกว่ามะเร็งนี้เริ่มกระจายไปสมองแล้วไอยาเคมีบําบัดนี้ให้ไม่อยู่เขาจำไม่ได้ ทีนี้เขาก็เรียกว่าอยากดื่มน้ำเราก็เอาน้ำไปให้แต่เขาก็บอกว่าพี่ชินนึกไม่ออกอยากทําอะไรเรียกแม่ก็แล้วกันทีนี้ห้องนี้เป็นห้องแยกค่ะห้องไม่ให้คนข้างนอกจะเข้ามานี่จะต้องล้างมือจะต้องเปลี่ยนชุดอะไรทุกอย่างเลยเป็นห้องป้องกันการติดเชื้อแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะเพราะว่าเป็นตึกสําหรับคนไข้โรคมะเร็งที่ให้เคมีบําบัดโดยตรงเราก็ไปตามแม่เขามามาดูเพราะว่าลําพังเราคงสื่อกันไม่ค่อยเข้าใจมากเหมือนคนใกล้ชิดน่ะแม่กขาเข้ามาปรากฏว่า เขาปวดฉีมากแต่ที่จริงนั้นเราให้เขาฉี่ฉี่รถไปเลยเพราะว่าเขาบอกไม่ถูกแล้วค่ะสับสนเราจะเปลี่ยนผ้าให้ตลอดถ้าเขาฉี่เราก็จะเปลี่ยนพราแม่เขามาทุกคนคิดไปแล้วว่าวันนี้เขาต้องไม่รอดแน่นอนทําให้ญาติเขาสบายใจที่สุดเราก็ให้อนุญาตให้ญาติมาเฝ้าข้างเตียงเลยจนเสียชีวิตทีนี้แม่เขาก็บอกว่าลูกเขาอยากฉี่ก็เอากระโจนให้พอฉี่เสร็จก็ให้แม่เขาออกไปหลังจากนั้นเขาจะล้องทรมานมากคนไข้ทุกคนที่นอนอยู่ในที่นี้ ที่นั่นมีหกเตียงนะคะจนคนไข้ทุกคนเงียบไปหมดเลยบางคนจะต้องมากระซิบข้างหูว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเขาบ้างคือมันเป็นลานทหารนะคะตึกที่อยู่ตอนนี้ทุกเคสที่เข้ามาจะต้องตายแน่นอนแล้วทีนี้น้องเขาหลังจากร้องโหยหวนตลอดเลยคิดว่ากำใกล้ตายคงไม่ค่อยดีครับอาจารย์หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเสียงค่อยแผ่วลงแผ่วลงแล้วทีนี้ก็ค่อยๆค่อยๆเสียชีวิตไปโดยที่คือเราตกลงกับญาติแล้วเราจะไม่ปั๊มแล้วเพราะว่าปั๊มขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ พ่อเป็นการทรมานมากพอเขาสักแป๊บหนึ่งขึ้นไปฟังหัวใจก็ค่อยๆหมดไปนะคะ mm. เพราะก็เสียชีวิตลงแม่เขาก็มาดูตลอดทีนี้เราก็เอออยากจะดูเหมือนกันว่านอกจากที่เราเห็นภายนอกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรอีกไหมที่เขาแปลเปลี่ยนจากสภาพศพของเขาเราก็เลยเข้าอาสาไปคือก็ช่วยกันนะคะไปทําความสะอาดศพไปอาบน้ําให้ศพปรากฏว่าเราก็เข้าไปที่ อ, อวัยวะเพศหรือว่าที่ช่องทวารหนักนะคะ ปรากฏว่าเชื้อราเต็มไปหมดคือเห็นแล้วถ้ารอดได้ก็แปลกแล้วคือไม่รอดแน่นอนเนี่ยในป่าคือทุกอย่างมันก็ไหลออกคะ่ะน้ําเหลืองน้ําเลือดเป็นอะไรที่เอามาพิจารณาได้เลยข อ, ขอเพิ่อีกเคสหนึ่งคะเสียเวลาบ้าอีกเคสหนึ่งเป็นเคสน้องผู้ชายจะเป็นน้องที่น่ารักมากเลยเขาจะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมทํามตนดีมากอายุ19ปีชื่อน้องสลายุทธเป็นคนที่น่ารักมากเลย ซาาวุธนี่เป็นมะเร็งตอนแรกเนี่ยเจาะไขกระดูกนี่เป็นชนิด AML หมอข้อรักษาแบบ AML พอได้เคมีบำบัดไปสักสองสโดสปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็น ALL ซึ่งมันมันมีทั้งสองอย่างทีนี้มันก็รุนแรงขึ้นเขาก็ต้องให้เคมีบำบัดมากกว่าเดิมตอนแรกเนี่ยคือคนไข้ก็จะบ่นกับหมอทุกวันว่าปวดข้อเขา่าคือตอนนี้เขาได้เค ม, มแล้วเขาก็ติดเชื้อแล้วนะคะแต่เขายังแข็งแรงดีอยู่เขาเขาก็เริ่มบวม บวมเล้วที่นี้หัวแม่เท้าเขาเนี่ยจูๆมันก็ดําขึ้นมาแล้วเขาก็บอกหมอว่าเนี่ยเขามีแผลที่เท้านะแต่ทุกคนก็ไม่คือไม่ไม่ชละใจค่ะว่ามันจะเน่ามากหรือเปล่าทีนี้มันเร็วมากคือคนไข้พวกที่ให้เคมีบําบัดถ้าติดเชื้อนี่ถ้าไม่ทันจริงๆให้ยาไม่ทันจริงๆเอาไม่ทันก็ต้องแม่นหน่อยทีนี้ปรากฏว่าอีกวันต่อมาเขาเขาที่ว่าบวมเล็กน้อย มันบวมบวมบามากเลยบวมจนตกใจค่ะทุกคนตกใจมากเลยบวมจนเข้าเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้ปรากฏว่ามันตัวฐานติดเชื้อก็ไม่ใช่นะคะแต่เขาคาดว่าคือสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเซลล์มะเร็งที่มันกระจายมาแล้วเท้าที่มีแค่นิดหน่อยที่ดำๆที่เขาจ้องมาเนี่ยปรากฏว่าแค่คืนเดียวมันแตกมันดำมันเหมือนกับเนื้อที่ตายแล้วที่ตัดทิ้งได้เลยเนี่ค่ะตอนนั้นน้องเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้เราก็สังเกตว่าทําไมน้องเขา คือนี้ที่เขาส่งเวรมาแต่เรามารับเวรต่อนะครับปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยเริ่มปากบียกหนังตาตกเคสนี้นี่จะมีปัญหามากคือเกิดเลือดต่ําเพราะว่าเคมีบําบัดมีกฎการทํางานของไขกระดูกทําให้ไม่เลือดขาวต่ําเกล็ดเลือดต่ําที่นี้เกล็ดเลือดต่ําปรากฏว่าเลือดเขาค่อยๆออกในสมองนะคะคือเราก็ไปดูที่ตาคือเขาจะมีเทคนิคการตรวจระบบประสาทว่ามีเลือดออกในระบบประสาทหรือเปล่า เราเช็กดูก็รู้เลยว่าเคสนี้มีปัญหาแน่นอนว่าเลือดออกในสมองปรากฏว่าเราตามเกรดเลือดจนไม่ได้สุดท้ายต้องยอมแพ้ธนาคารเลือดว่าก็ขอแนะนําทุกท่านขอให้ไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะหายากมากๆเลยเคสนี้จนต้องยอมที่จะเอาเลือดต่างกรุ๊ปมาให้ทุกอันเลยแต่น้องเขามีปัญหาว่าได้เลือดมานานมากนานจนมีปฏิกิริยาต่อต้านต่อทุกอย่างเลยพอได้กรีดเลือดปุ๊บเนี่ย สมมุติว่าเกิดเลือดมีค่าปกติหนึ่งแสนถึงสี่แสนนะคะเขามีแค่เจ็ดพันคิดดูเถอะเจ็ดพันเนี่ยเลือดเขาจะออกทั้งระบบทางเดินอาหารออกหมดเลยเจ็ดพันเราก็ตาม เ, าเลือดมาให้อีกสี่ถุงปรากฏว่ามันก็ต่ําเหลือห้าพันเราก็ตามมาให้อีกปรากฏมันลดเหลือสามพันคือมันไม่ไหวแล้วชีวิตมันช่วยไม่ได้คือมันจะตายมันก็ต้องตายทุกคนก็จะรวนแรงผู้สงสารน้องเขาเป็นคนดีมากทุกคนจะร่วมมือกันช่วย ถึงขนาดบุกไปขอธนาคารเลือดเกิดมีเรื่องทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยตามเลือดมาให้ปรากฏว่ามันออกในสมองมากขึ้นสมองบวมทีนี้สมองบวมเนี่ยตาเขาถลนออกมาถลนแบบน่ากลัวมากเลยนะครับเลือดในตา ม, มันก็ข้างเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นเป็นตาแล้วเนี่ยแม่เขาก็ทําใจไม่ได้เขาก็โทษว่าเราไม่ดูแลไม่ตามเลือดมาให้แต่เขาหารู้ไม่เบื้อหลังนี่ทุกคนลุ้นลุ้นที่สุดเลยที่จะช่วยน้องคนนี้นะ ทีนี้น้องเขาซีกขวานี่ยเขาจะอ่อนแรงไปเลยไม่สามารถยกได้ซีกซ้ายนี่พอจะมีแรงเขาจะปวดหัวแต่เขาสื่อสารไม่ได้เพราะว่าระบบสมองเขาถูกเลือดออกหมดแล้วมันบวมไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็เลยสื่อสารกันด้วยท่าทางคลิดดูเหตุว่าสมองบวมจนตาถลนออกมาจะขนาดไหนน้องเขาจะปวดหัวมากให้ยาแก้ปวดอะไรก็ไม่หาย ยาที่ฤทธิ์แรงที่สุดของโรงพยาบาลก็เอามาอยู่เพราะมันบวมไปหมดแล้วนะน้องเขาดิ้นทวนทุลายมากเลยทุกคนก็สื่อไม่ออกเราเห็นเขากำมือข้างที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยแน่นมากๆเลยก็ถามนิสลา ย, ยุทธน้องปวดหัวหรือเปล่าครับเขาก็พยายามเบีกหน้าว่าเขาปวดหัวมากๆเลยก็เลยพยายามช่วยฉีดยากแก้ปวดให้แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ผลหรอกแต่ก็ฉีดเพื่อให้กําลังใจเขาว่าเราช่วยอยู่นะปรากฏว่าพอฉีดยากแก้ปวดปุ๊บเนี่ย อาการเขาแย่ลงมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจพอใส่พุ๊มันก็แย่แล้ว่ค่ะทางเดินอาหารเราจะให้อาหารทางสายยางแล้วทีนี้ปรากฏว่าดูดดูดสารอาหารเก่าในช่องรองออกมาปรากฏว่าเลือดออกมาเป็นเยอะมากเลยดูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสวนล้างให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไหลออกไหลออกตลอดเลยมันคือไม่ไหวแล้วที่ให้เข้าไปก็ไม่เท่ากับที่ออกมาเราก็พยายามพูดให้ญาติเขาเข้าใจนะคะ เผื่อท่านมีญาติที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยอยู่แล้วปรากฏว่าก็ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็ลงไอซูใส่เครื่องช่วยหายใจไปอันนี้คืออุทาหรณ์ว่าเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะโรคเนี่ยมันไม่เคยเล่นเลยกับทุกชีวิตเพาเอินว่าเราไปทํางานอยู่ยกับเด็กๆอะคะ่ะอายุสิบห้าถึงประมาณสี่สิบปีเท่านั้นเองจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวกันเยอะมากถ้าเป็นไปนได้เนะอยากจะให้พวกท่านได้ รู้ว่ามันอาทีนว่ของมหาพูดนี่มันเยอะมากๆเลยถ้าเรายังเพลิดเพินเนี่ยนะอีกหน่อยเราอาจจะยิ่งแย่กว่านี้เพราะวันเราก็เห็นเคสที่แย่มาเยอะแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเรายังเพลอดเพิอนอยู่ในมหาพูดนี้นี่คือสังเวชวัตถุที่เราก็คือเราก็จะมีอาสาท่ในสิ่งที่เราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมนัตนอาศัยเนคขมะนะฮะมาพิจารณาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่มาเล่าให้ฟัง ถ้าท่านจะได้เตือนใจทั้นว่าท่านก็ไม่พ้นหรอกแม่คุณแต่คนพูดอาจจะเป็นก่อนก็ได้เทนี้ค่ะนี่ก็เป็นโทษของอะไรกรรมมาคุณหา้าใช่ไหมโทษของกรรมมาคุณหา้าตอนที่หน่าปรารถนาก็น่าปรารถนาเต็มที่อีกพักหนึ่งสิ่งที่หน่าปรารถนาก็กลายเป็นสิ่งที่มีโทษหาประมาณไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ไม่คิดว่ามีปัญหาก็มีปัญหาถ้าหากว่ากรรมมาคุณห้าเหล่านี้ดีจริง ถ้าไม่นํามาซึ่งทุกโทษในบ้านปลายพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ละรอกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ตัดฉั้นทราคะในวัตถุเหล่านี้ถ้าตัดฉั้นทราคาในการมาคุณเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปพระ อ, องค์จึงสอนเหตุเกิดความดับความน่าปรารถนาของมหาพูธหรือการมคุณเนี่ยนะการมคุณนี้มีมหาพูธเป็นเหตุใกล้แล้วก็โทษของมหาพูธเพื่อที่จะตัดชันธราคะในมหาพูธทีนี้อย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะ ทุกคนไม่ได้พ้นเลยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วด้วยแล้วก็ถ้ายังมีมหาพูดอยู่ก็จะเป็นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะการวิจัยเลือกเฟ้นจนเห็นอริยสัจเพื่อตัดฉันทราค้าในมหาพูดก็จะได้ไม่ต้องคือเอามหาพูดเช่นนี้อีกต่อไปที่ ด, ดูให้เจ้าของมหาพูดผู้ที่ยึดถือมหาพูดเหล่านั้นจะทุกข์สักตามใดเนี่ยนะแม้กระทั่งคนเห็นเนี่ยแค่ฟังคําเล่าเนี่ยจานปนีตก็ทําหน้าเสียละ แต่ตอนนี้นี่ก็ผ่านชราโมรณะมามากมากขนาดนั้นก็ยังทําใจลําบากไปบ้างนะถ้าเจอสังขารทั้งหลายแบบนี้ทีนี้ผู้ใดที่สแสวงหาความสุขในการมคุณเนี่ยโปรงตรัสว่าเป็นความสุขจากเกาแผลนึกตรงนี้ฟังมาเนี้ยนะชอบใจคํานี้มากมีความสุขจากการเกาแผลทางธรรมะนี่ถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือแผล ก็แสวงหาความสุขจากตาเนี่ยนะก็เหมือนกับเกาแผลทางตาเออสนุกดีเนาะเกาแผลจากทางหูฟังอะไรนี่ยจั๊กจี้หูดีเออมันก็สนุกดีทานจมูกด้วยนะก็เหมือนกับเกาแผลทวารลื้นก็เหมือนกับเกาแผลทวารกายทั่วร่างกายก็เหมือนกับเกาแผลหาความสุขจากการเกาแผลก็ได้ความสุขอยู่เที่วนั้นแต่ก็ยิ่งติดเชื้อมากขึ้นยิ่งติดเชื้อมากขึ้นกิเลสกามก็กลุ่มรมมากขึ้นในที่สุด ไปลงที่ไหนชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุ ป, ปาญาสํสำหรับพระ อ, องค์เนี่ยได้รับความสุขที่เรียกว่าสุขในกามันเป็นของมนุษย์นะถ้าเทียบกับดาวดึงแล้วห่างกันมากๆเลยทีนี้ถ้าเทียบกับสุขในนิพพานที่ดับที่สุดแห่งกามคุณเนี่ยน ะ, ะโอ้โหเทียบไม่ติดเลยระหว่างกามคุณของดาวดึงคิดดูนะว่าผู้ที่เห็นพระนิพพาน ตัดชันทราค้าในการมาคุณห้าได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ยินดีในการมคุณอันเป็นทิพย์เลยจกละกล่าวไปยัยถึงการมคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้สุขที่สงบกว่าสุขที่ดีกว่าสุขที่ไม่มีโทษสุขที่ปราศจากบาปอากุศลสุขที่ไม่เจือด้วยความเศร้าหมองท่านผู้ที่ศึกษาหรือโดยยกตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยที่เป็นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกได้เพราะรู้ เหตุเกิดความดับอส า, าธาอาทีนวะนิสรณะของตามมาุณห้าอันนี้ถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติเลยนะทุกเรื่องให้เอาห้าประการนี้มาจับคล้ายๆกับเทศนาหาระอนะในหาระทุกอย่างนี้เอามาจับเลยนะทุกเรื่องอะไรนะคือเหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นๆอะไรเป็นความดับของสิ่งเหล่านั้นอะไรคืออาสาธาความน่าชื่นใจของสิ่งนั้นแล้วโทษของสิ่งนั้นคืออะไร ตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านั้นได้ไหมเพราะผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษก็สามารถที่จะตัดชันทราคาได้ในที่สุดฉะนผู้ที่รู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันท่าถ้ารู้กามคุณอย่างเดียวนะโดยเฉพาะถ้ากำหนดมหาพูดจะรู้จักกามคุณถ้ากำหนดกรมคุณห้าได้อุปาทานขันท่าก็จะไม่ยากสักเท่าไรก็สามารถที่จะทา ที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าความเพลิดเพลินในวะตาะคืออะไรก็คือติดใจในการมาคุณห้ารู้แต่ฝ่ายเดียวฝ่ายที่น่าปรารถนาแต่รู้ไหมว่าฝ่ายนั้นมีสิ่งที่น่าน่าเสียใจมาด้วยเพราะว่าคนที่ติดข้องในกายผู้ที่ติดข้องในมหาพูดที่จะเจริญกุศลนี่หายากนักก็อย่างกลุ่มบุคคลที่บำรงบำเรมหาพูดของตัวเองบ่อย บุคคลเหล่านั้นมักให้ทานไหมไม่ใช่เลยเป็นเอทีเหนียวมากเขาเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโทษแห่งการมมรรคุณนี้มีมากจริงๆพระองค์จึงอุปมาว่าการมคุณนี่เป็นเหมือนกับเป็นฝีเป็นเป็นห น, นองเป็นแผลจริงๆเมื่อใดเนาะที่เราทั้งหลายเห็นเช่นตามที่พระพุทธเจ้าวิจารณญาณของพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากความเมาโดยประการทั้งปวงพระองค์ตรัสเช่นนี้เราทั้งหลายก็คงตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ว่าเราทั้งหลายจากพิจารณาเบญจการมคุณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเป็นของที่เป็นไปกับชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต การไข้ควรแบบนี้แหละเรียกว่าตีรนะณะปริญญาใข้ควรจนกว่าจะละความสําคัญผิดในสิ่งเหล่านั้นจริงๆจริงๆของกรมคุณท่าเป็นโรคใช่ไหมเราคิดว่ามีโรคไหมเราคิดตรงกันข้ามคิดตรงกันข้ามเลยนะว่ากายนี้เป็นที่ตั้งแห่งโรคนะเออเขาก็สุขภาพกันดีนะนัะ่นตรงกันข้ามหมนเป็นสีเราก็บอกเอ้ไม่เห็นมีอะไรนี่เอไม่เที่ยงเป็นทุกข์เอ๊ะก็สบายดีแข็งแรงออก เป็นดังโรคศรเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นความลําบากเอ๊ะก็สบายดีเป็นความเจ็บไข้เอ๊ะก็ปลอดโรคเป็นของไม่ใช่ตนอา้าวฉันก็มีอํานาจเป็นของว่างจากความเที่ยงสุขยั่งยืนเอ๊ะดูเหมือนใช่เหมือนกับว่าเป็นของอมาตะนิรันดรทัานการเจริญแบบนั้นเนี่ยวิปปาาทั้งหลายจึงครอบงําอย่างมากถ้าหากว่าวิปปาาครอบงาทั้งหลายเราจักเจริญกุศลไหม จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดจากสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเบญจา ก, การมคุณชื่อว่าเป็นความปฏิบัติชอบที่สุดในพระาศาสนานี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวัฏฏุกข์ในพระาศาสนานี้ให้เราสมท า, านที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในการมคุณห้าที่เรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เที่ยวจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งติดตามพระองค์บูชาไม่กระทั่งพระาธาตพระองค์อยู่ที่ใดก็ตายกันก็เพราะความที่พระองค์รู้เหตุเกิดความดับรู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณะของเบญจา ก, กรารมคุลห้าพระองค์ทำที่สุดพ้นจากเบญจากามคุลทั้งห้าโดยประการทั้งปวงเราทั้งหลายในตอนนี้ถึงจะยินดีอยู่แต่ก็สักวันหนึ่งเถอะนะประกาศความเป็นฆาตศึกเอาไว้แล้วใช่ไหม ประกาศเป็นข้าสึกว่าเราจะ ก, กําจัดชั้นธราค่าให้ได้วันนี้ถึงศัตรูจะมีอํานาจแต่ว่าประกาศสงครามแล้วและก็หวังว่าให้ทุกท่านรับชัยชนะในสงครามจากกิเลสมานถ้าชนะกิเลสมานแล้วก็จะข้ามโอฆะกันดาลพ้นจากวัตทุกข์ด้วยบุญกุศลที่ได้เจริญทั้งหมดเหล่านี้ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นปัจจัยเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์สิ้นโรคสิ้นฝีสิ้นลูกศร โดยเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงก็ขออนุมโมทนานด้วยนะเจนพ่าน